ซึ่ตรงกับวันที่3สิงหาคมพศ2515ตอนกลางวันพันตำรวจเอกพิเศษสมศักดิ์สืบสงวนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจหรือท่านผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจได้ให้น้ำเกลือแต่ว่ากลางคืนเขาก็าเจริญกันมาถ้วยก็งูไม่ขึ้น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 มีความรู้อยู่บ้างในแค่หางอยียงก็พยายามสอนพุทธบริษัท ต, ตามที่ความรู้จะพิงมีและอาศัยบุญบา ร, รมีขององค์สมเด็จพระชินศสีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นสำคัญยังได้เต็มใจสอนกับพระบรนดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่มีความประสงค์จิตจำนงก็มีอยู่เพียงว่ามีความรู้แค่ไหนก็สอนแค่นั้น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 มีความรู้ในเป็นแพทย์แผนโบราณมีวิชาอาคมมากได้มารักษาแผลภายในของท่านใน ห, หายไปหรืว่าแผลที่ราสาหนั่งท่าใสา่รักษาได้ยอดไม้คือกิ่งไม้สามกิ่งเอาใบอ่อนๆมาต้มเข้าแล้วก็เสกหรือว่าเสกก่อนแล้วก็ต้มฉันก็ไปเป็นม้อเดียวแผลภายในก็หาย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 แล้วแถมยังมีเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากเป็นการบรรเทาความทุกข์ของบรรดาท่านพุทตรบริษัทที่รับความตกยากได้เป็นอย่างดีละจริยาในการสงเคราะห์ อ, อย่างนี้บรรดาท่านพุทตรบริษัทหลงพ่อปานไม่ได้ยับยัง้งหลังจากถูกบางฟังคนั้นมาแล้วทาใหญ่ไม่ใช่ทาเล็ก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 ท่านไม่เคยอดดีเรือเบ่งดีมีแต่เพียง ว, ว่ามาเห็นใครเขาดีทัง้งพาลูกศิษย์หาไปหาให้เรียนต่อขอความรู้ที่เป็นเกิดความรู้หรือ <c oughs> ว่าความรู้ที่เป็นหลักที่ท่านไมสามารถจะสอนให้เข้าถึงจุดก้อละเอียดจุดหมายปลายทางได้ต่างคนต่างส่งลูกศิษย์ไปต่างคนต่างพาลูกศิษย์ไปสวนกันไปสวนกันมา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 เอาเสื้อผ้าไปแจกเนี่ยมันเป็นส่วนสาธารณะถ้าเราจยาเปรียบเทียบกับการให้ประเภทนี้มันมีความดีคล้ายๆกับถวายสังฆทานแต่ว่าอย่าตีราคาให้เสมอเลยบรรดาท่านทุตบริสัตพราะสังฆทานเป็นทานที่หมายเอาพระพุทธเจ้าเป็นประธานและมีพระอริยสงฆ์เป็นแนวรับ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 ถ้าเรามีความคนรักมากเพียงใดเราก็สบายใจเพียงนั้นทั้งนี้ พ, พ่อใหญ่พู้ว่าการจะไปทางไหนก็มีจะคนไหวมีจะคนเคารพนับถือมีแต่คนชอบคนรักอันตรายมันก็ไม่มีการเดินทางไปจะตกรถตกเรือจะหิวตายไปในระหว่างทางไม่มีสําหรับคนประเภทนี้นีรบรรดาท่านพุทธบริษัท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 THE <laughs> END Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.